เรื่องให้อุปสมบท <em bell> ด้วยคณะสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายให้อุปสมบท ด, ด้วยคณะมีพวกสองบ้างมีพวกสามบ้างภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปการาบทูล พ, พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงให้อุปสมบท ด, ด้วยคณะมีพวกยนต์ 10. ภิกษุรูปใดให้อุปสมบท ต้องอบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อุปสมบทด้วยคณะมีพวก10หรือมีพวกเกิน10ได้